ที่มาเนี่ยกเมื่อมาเพื่อฟังมาเพื่อการศึกษาฟังทางอื่นทางโลกเราก็ฟังมามากแล้วฟังเสียงร้องรำทำเพลงแต่บัดนี้เข้ามาสู่วัดวาศาสนาอยากจะมาฟังครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านอยู่ในป่าดงโพงพายท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเราจะได้ฟังเพราะเราก็ได้ฟังจากที่อื่นๆมาแล้วแต่บัดนี้จะมาฟัง ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องแนวทางของพระพุทธศาสนาติดแนวทางคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าทำคําคสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมีมากมายหลากหลายในแนวความคิดเกี่ยกว่าพระธรรม 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์สุดแท้แต่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ จะ จ, จุดไหนหรือว่าเอาจุดไหนมาบอกกล่าวหรือมาแนะนำหรือมาแสดงให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเพื่อการศึกษาเพราะนั้นพวกเราวันนี้ก็ได้มาเพื่อเพื่อศึกษาเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาเพื่อมาทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราด้วยแะก็พร้อมกันกับเพื่อการศึกษา ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งวันนี้คณะสัยาญาติโยมมาจากจารุรทิศได้มาที่มาพักที่วัดหลวงพ่อเพื่อเตรียมงานทอดกระถินวันพรุ่งนี้ปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวแต่ละวัดเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นวันสำคัญของวัด เร่องว่าเป็นวันมงคลมหามงคลของวัดหรือคณะชาติญาติโยมทุกหมู่เ่าที่เคยเข้ามาสู่วัดของหลวงพ่อก็ถือว่าวันเป็นวันสำคัญเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาสู่วัดวาศาสนาในวันนี้หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้สมาทานสิง ตามที่ พ, พระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติเอาไว้พวกเราเป็นพุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึงเพราะนั้นเราก็ต้องศึกษาในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์อะไรให้พวกเราศึกษาในบัดนี้พวกเราได้เข้ามาสู่วัดวาศาสนาแล้วพวกเราก็ควรจะศึกษา อันดับแรกก็เรื่อง เ, ออเรื่องทานแต่วันทานกับวันพรุ่งนี้แหะแต่ว่าก่อนที่จะทานน่ะพวกเราควรจะรักษาศีลสกอรอันดับแรกหลวงพ่อได้ให้พวกเราไหว้พระกระจกลงแล้วจากนั้นก็ไดอาราธนาศีลหลวงพ่อก็เป็นผู้พานำสมาทานศีลทั้งห้าข้ อ, อ, อการที่สมาทานศีลรักษากายไหว้จ่าให้เรียบร้อย ชื่อว่าสิน เ, เมื่อเราจะทำบุญใหญ่คือวันพรุ่งนี้พวกเราก็ควรจะชำร ะ, อะของที่อยู่ในกายวายจาของเราให้สะอาดซะก่อนเหมือนกับเราจะรับสิ่งของที่มีคุณค่าหรือว่าเป็นรับงานใหญ่คือบุญกุศลวันพรุ่งนี้พวกเราก็ชาระกายของเราให้เป็นผู้มีสิน ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่โกหกไม่ดื่มสุราอันนี้ก็คือศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วก็วันพุงนี้พวกเราก็จะได้ทําบุญทําทานได้เสียสละจจตุ ป, ปัจจัยตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้มากน้อยตามอัธยาศัยบำลุงพระพุทธศาสนา เพราะว่าวัดวา ศ, าศาสนาจะอยู่ได้ก็ต้องอาศาัยศรัทธาญาติโยมพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเป็นหลักเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนถ้าหาว่าไม่มีพวกคณะศรัทธาญาติโยมให้การสนับสนุนพระพุทธศาสนาก็คงจะหมดไปนานเท่า น, านั้นก่อนหน้านี้มาแล้วเพราะนั้นตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องอาศาัยซึ่งกันและกันคือฝ่ายพระสงฆ์ ก็เป็นผู้นำหน้าเหมือนกับช้างเท้าหน้ากุบาสุกุบาสิกาเหมือนช้างเท้าหลังถ้าหากว่าช้างเท้าหน้าไม่มีเท้าหลังจะเดินไปได้อย่างไรแต่เมื่อมีแต่ช้างเท้าหน้าศรัทธายาทยาดโยมไม่สนับสนุนพระพุทธศาสนาช้างตัวนั้นจะไปได้อย่างไรเพราะนั้นก็ต้องไปท่านพูกันทั้งเท้าหน้าเท้าหน้าไปในทางที่ถูกต้อง นี่ที่หลวงพ่อได้พูดว่าเรื่องศีลหลวงพ่อจะเน้นเรื่องของศีลศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยคืออยู่ในกฎระเบียบพวกเราอยู่ด้วยกันประเทศชาติหรือโลกทั้งโลกหรว่พวกเราเป็นหมู่เป็นคณะที่อยู่ด้วยกันต้องเป็นผู้มีต้องอยู่ในกฎต้องอยู่ในระเบียบกฎระเบียบนั่นก็คือศีล อย่างพระสงฆ์พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ใหม่พระองค์ยังไม่ได้บัญญัติวินัยยังไม่มีกฎระเบียบเพราะพระสงฆ์อย่างน้อยก็ต่างองค์ต่างอยู่วิธยาสอนธรรมะให้ชำระกายให้ชำระใจให้เป็นพระอริยะบุคคลพอต่อมาพระสงฆ์ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็องค์นั้นมีความคิดแต่ละคนามาจากสกุลต่างๆ ก็มีแนวความคิดมากหลากหลายพระองค์ก็ได้บัญญัติวิทย์ในขึ้นมาคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันอันนี้ก็คือสินส2งีของพระแต่ถ้ามีสัมมเนนเข้ามาอีกสัมมเนนคือก็เป็นลูกของพระอายุเปีขึ้นไปแล้วก็บวชพอบวชเข้ามาแล้วก็ท่านก็ให้รักษาสินสิก็อยู่ในระดับหนึ่งอันนี้ก็คือสินสนัมมเณคือคือินสิบ สินของพระก็คือสินสอง้อยี่สิบเจ็ดแต่สำหรับครวาทญาติโยมที่ครองเรือนควรจะมีสินอะไรพระพระองค์บอกว่าควรจะมีสินห้าถ้าว่าผู้ใดมีสินมีความอุตสาหะวิริยะก็ควรจะเพิ่มเป็นสินอุโบโสถหรือสินแปดเข้าไปอีกอันนี้ก็คือสำหรับศรัทธาญาติโยมน่าจะเพียงพอเพราะสิ ศินห้านี่ก็คือการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันจะให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ต้องมีศินห้าถ้าคนมีศินห้าแล้วไปนักสถานที่ใดขอร่มเย็นเป็นสุกแต่หากว่าพวกเราไม่มีศินไปนักสถานที่ใดมีแต่หวดาดระแวงไม่รู้ว่าจะฆ่ามึงหรือว่าจะลักขโมยไม่รู้ว่า จะประพฤติผิดละลาบประร่วงไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งสามีภรรยาแล้วจะไปที่ไหนมิจะโกหกปีดไปเห็นที่ไหนมิจะดื่มสุราเมาไปหมดขาดจิตเมื่อคนขาดจิแล้วก็น่ากลัวไม่รู้ว่าจะออกมาไม้ไหนอันนี้ถ้าคนไม่มีศินก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องของศินเป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญในมวลมนุษย์พวกเราอยู่ด้วยกันแต่เรื่องทาน เรื่องทานคือทานะเพราะพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างพวกเราจะได้ทำทานในวันพรุ่งนี้เพราะพระพองค์ท่านตัดไว้ว่าเราจะฐาคตที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าได้สาเร็จพระโพธิญาณเนะี่ยด้วยอนิสงทานอนิสงทานเป็นหลักนี่อนิสงการเสียสละแล้วก็พวกเราได้มาศึกษาดูในประวัติ พระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ล้วนแล้วแต่แต่ละองค์ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เสียสละเป็นผู้ทําทานและก็ตั้งความปรารถนาว่าข้าพเจ้าได้ทําทานเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งด้วองค์นั้นหรือตําแหน่งนั้นอันนี้โดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นที่พวกเราได้ศึกษาดูเพราะฉะนั้นเรื่องทานเนี่ยเป็นใช่ของมองข้ามไม่ได้เพราะฉะนั้น เรื่องพวกเราจรึงได้มีการเสียสละในหลักของพระพุทธศาสนาเทวาทานศีลภาวนาทานมีหลายอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังอามิชทานก็คือการเสียสละเรื่องค่ะเงินคำทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่ข้าน้ำโภชนะอาหารอันนี้เรียกว่าอามิรทานธรรมทานก็คืออย่างหลวงพ่อพูด ให้พวกเรามีสมาธินะให้คนพวกเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมนะอันนี้เรียกว่าธรรมทานวิทยาทานก็คือพวกเราเห็นเขาเออเขาทํามาหาเลี้ยงชีพไม่เป็นเราควรจะสอนวิธีการซ่อมวิธีการซ่อมรถวิธีการซ่อมต่างๆและก็วิธีการทํามาหาเลี้ยงชีพมีตัางเยอะแยะอันนี้เรียกว่าเราให้วิทยาทาน แต่เมื่อการยูด้วยกันบางคนก็มีทิฏฐิและความเห็น แ, กแตกต่างกันบางทีเขาล่วงเกินเราเราให้ทำา ใ, ให้เราไม่สบายอย่างนี้เราก็ว่าให้อภัยทานให้อภัยเขาหรือว่าเคตอภัยทานคือการไม่เบียดเบียนสัตว์อย่างนี้เรียกว่าเคตอภัยทานอย่างเขาว่าให้อภัยทานที่วัดไม่มาเบียดเบียนสัตว์ที่วัดเนี่ย เกจอะไปยทานประวัติการทานคํำนี้มันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นพวกเราเรื่องทานมันเป็นของไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นของเรื่องที่ใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องทานเรื่องศีลแต่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องภาวนาเรื่องภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นคณะสัตยาธิยมมาสู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่ออยากจะแนะนําเรื่องภาวนานี่แหละ เป็นเรื่องอชีวิ ต, ตจิตใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้ที่จะแนะนำเรื่องภาวนาแล้วก็เป็นมัน ม, มีน้อยอมีน้อยทีเดียวมีแต่พูดเรื่องทานเรื่องศรรีงลนักกระจบแต่เรื่องภาวนาเลี้ยงลาดับวิธีการภาวนาเนี่ยมีน้อยที่หลวงพ่อได้ฟังๆังเพราะนั้นหลวงพ่อไปนะักสถานที่ใดพอที่จะ แนะนำสั่งสอนด้วยว่าแนะนำให้พวกเราปฏิบัติเพราะว่าพวกเราให้ทานรักษาศีนก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วและเป็นผู้มีศรัทธาอยู่แล้วต่อพระพุทธศาสนาควรจะ เ, เล่นเรืองควรจะทำภาวนาอันนี้สงทานอันนี้สงศิณลท่านบอกว่าไปสู่สวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์และมาเกิดเป็นอยู่สวรรค์ ส่วนอ น, นิสงภาวนาเนี่ยถ้าว่าผู้ใดภาวนาทำจิตใจให้สงบผู้นั้นจะขึ้นไปสู่พรมแป่ว่าสูงขึ้นไปอีกไปสู่พรมแต่ถ้าว่าภาวนาจนชำระกิเลสกายวาจาใจของเราชำระใจของเราเป็นอริยะบุคลคลคือพระโสดาพระสกาคาคาอนาคาพระอรหันต์อันนั้นแปลว่าบริสุทธิ์จุดพ้นตามแนวแถวที่พระพุทธองค์จุดประสงค์ของพระพุทธไตรจา ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบาเพ็ญมาท่านบมเพ็ญจนตักกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจจนพระองค์ได้ปรได้ประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติสุด ท, ท้ายเราไม่มาเกิดอีกแล้วเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือท่านชาระใจของพระองค์เองท่านรู้ด้วยพระองค์เองว่าสิ่งไหนพามาเกิดและท่านําระอะไรเพราะนั้นเรื่องภาวนาจะเรียงลาดับ ตั้งแต่เริ่มต้น เ, เราจะทํำยังไงใจของเราจริงจะเข้าสู่ความสงบใจของเราจะอยู่จะนิ่งได้นี่แหละอันนี้ต้องฝึกหัดนะคณะทาญาทโยมถ้าผู้ใดก็ตามต้องการความสุ ข, ส ข, สขทางด้านจิตใจหรือมีความสุขจิตใจให้นิ่งจิตใจใใไม่โป่งฟงซ่านแล้วต้องพยายามทําจิตใจให้สงบจิตใจทําจิตใจให้สงบนั้น พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยท่านสอนจิตญาณุสิธิ์ตัวสอนพระสงฆ์ที่เขามาบวชท่านบอกให้ภาวนาพุทโธหนะ้าให้ยึดพุทโธเป็นหลักให้บริกรรมถ้าว่ากําหนดธรรมดาเนี่ยมันหลุดได้ง่ายแต่มันขาดไปได้ง่ายมันหลุดได้ง่ายให้ให้ให้บริกรรมให้บริกรรมด้วยเนีเนี่ยก่อนที่จะนั่งก่อนที่จะภาวนา ยุคนี้สมัยนี้จะไม่ก่อนท่านก็ไม่มีวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์อะไรท่านไม่มีแต่มาถึงยุคนี้เครื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นหลวงพ่อก็เลยเพิ่มเติมเข้าอีกว่าเออพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่จะนั่งภาวนาน่ะควรจะปิดถ้าเราเป็นส่วนตัวแล้วก็ควรถ้าว่ามีใครอดูโทรทัศน์วิทยุเราก็หลีกออกจากห้องนั้นไปอยู่ตามลําพัง ให้เป็นที่สงบเป็นที่หลีหลกเล้นพวกเราแต่ถ้าว่าลูกหลานเขานั่นก่อนปิดโทรทัศน์ปิดโท ร, รโทรัศน์ปิดวิทยุปิดโทรศัพท์ให้เรียบร้อยซะก่อนจากนั้นเราก็เข้าไปในห้องของเราหรือห้องแอร์หรือห้องพระไต้ทั้งนั้นห้องพระก็ได้ห้องพระเราก็จอย่าไปจุดเทียนนะอย่าไปจุดธูป ถ้าจุดทูบจุดเทียนแล้วมันมีควันทําให้มันอบอ้าวแล้วทําให้ เ, เป็นพิษเป็นภัยกับตนเองและก็พร้อมกันก็ถ้าเราลืมดับมันอาจจะไหม้ห้องห้องพระก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องจุดหลอกอต้องรู้กาลเทศะถ้าเราอยู่ในที่โล่งที่ปลอดภยัยเราจงค่อยจุดถ้าอยู่ในห้องไม่จําเป็นต้องจุดเอาขันห้าของเราหนึ่งคือขันห้ากคือกายวาจา ใจของเราเนะี่ยเข้าไปกราบเมื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพียงพอแล้วไม่ต้องจุดทูบเทียนถ้ามันจุดก็ต้องที่ปลอดภยัยไม่ใช่ว่าจะเข้าไปจุดในห้องพระแล้วก็ไฟไหม้ห้องไฟไหม้บ้านอันนั้นอย่าอย่าอย่าไปทําอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ต้องจุดก็ได้เข้าไปแล้วก็กราบนั่งคุกเข่าแล้วก็กราบไหว้พระอรหังสวาขาโตสุปฏิปัโน นโมตัตะพุทธงทางธรรมังสังขังตามที่พวกเราได้เรียนมาเรียนมาขนาดไหนกับขนาดนั่นแหละไม่ต้องสวดมากก็ได้คือให้เราน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กราบรำลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระคุณของบิดามารดาครูประชาอาจารย์จากนั้นแล้วก็เราก็แผ่เมตตานั่งตัดทาใจให้นิ่งประนมมือทําใจให้นิ่งเป็นภาษาใจของเราเลย ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่หลวงรับดับขันทั้งในอดีตพ่อแม่ในอดี ต, พ, ดตพ่อแม่ในปัจจุบันก็ขอให้มีด้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่เป็นกุศลข้าพเจ้าอุทิศ ต, ต่อ แห่บรรพชนเรือดวงวิจญาณ์ทุกดวงวิจญาณ์ให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าคือให้เรานึกน้อมจริงๆในจิต ใ, ใจของเราคือให้เรามีเมตตาแห่ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่แหละคนที่มีเมตตาพระพุทธองค์ท่านตรัส ท, ท่านบอกไว้ว่าไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความมีแต่คนรักเมตตาแห่จะไม่มีใครมาเบียดเบียนลางแกเราเพราะเรามีเมตตาต่อเขา แต่ว่าถ้าหากคนที่ถ้าเราไปอยู่แล้วเราเขายังเบียดเบีย น, เ, ยนเราอยู่แสดงว่ากรรมเก่ากรรมเก่าให้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าถึงท่านจะมีเมตตาขนาดไหนแต่พระเทวทัตก็ยังจองร่างจองผ่านท่านอยู่อันนั้นแปะว่ากรรมเก่าของพระองค์กรรมเก่าของพระพุทธองค์แต่ว่าแต่พระองค์ก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจแต่เมื่อมีเมตตาคือมีเมตตาแต่เทวทัตก็รู้ ว่าพระพุทธองค์มีเมตตาต่อคู่ขนทั้งหลายต่อตอนเองแต่ว่าอาการอิจฉาเนี่ยพยาบาทมันมีนี่ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายไปอยู่นสถานที่ใดก็ควรจะแผ่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์คนที่มีเมตตาในจิตในใจหลับและตื่นเป็นสุขถึงมาน่ะถึงจะหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไปนสถานที่ใดก็ไม่คิดว่าจะมีพิษมีภยัยเพราะเรามีเมตตา ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นและวิญญาณอื่นทั่วไลรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างข้าพเจ้าต้องการอย่างข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเถิดนี่อันนี้คือตั้งใจของเราตั้งใจในใจของเราจากนั้นก็กราบพระพอกราบเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิหรือจะจะนั่งเก้าอี้ก็ได้หรือจะนั่งพับเพียบก็ได้เมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปนมือขึ้นระหว่างอกปนมคือมือขึ้นในระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนคือรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือที่เราจะนั่งสมาธินี่คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็พระสงฆ์เป็นผู้นำพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่มาบอกกล่าวให้แก่เราเราจึงได้ทำตามที่พระสงฆ์มาสอนที่สอนภาวนานจากนั้นเราก็เอามือลงพอเอามือลงเสร็จแล้วเราก็ยังน้อมกิตอีกที่เรียงว่าข้าพระเจ้าจงเป็นจุกผู้อื่นจงเป็นสุขร์ให้ถ้าว่าแผ่เมตตาส่วนลึกในใจ คือไม่ให้มีการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวนกับใครๆทั้งหมดในจิตใจของเราให้ใจของเรากับใจของคนอื่นเสมอกันเหมือนกันเเพราะว่าบางทีบางครั้งเรามีการไม่พอใจขัดเคืองกับผู้ใดผู้หนึง่งเวลานั่งภาวนาเนี่ยมันจิตใจมันมันวิ่งจุดไปหาจุดนั้นบ่อยๆเพราะอหไรเพราะใจของเราไม่ไม่พอใจอกับเรื่องนั้นๆกับคนนั้นๆ เ, เพราะนั้น เราควรจะทำใจให้หยุดหยุดคิดถึงที่การเบียดเบียนหรือเกิดการพยาบาทอาฆาตกับใครๆทั้งหมดจากนั้นเราก็ น, นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่บางคนลูกหลานคณะสัทายาญาติโยม บ, บางคนบอกโ อ, โอ้ไม่รู้ลมเข้ายัางไงลมออกอยังไงเพราะไม่เคยปฏิบัติพวกเราหายใจแรงๆดูนะหลวงพ่อแนะนำนะ หายใจแรงๆสูดลมหายใจเข้าจมูกจากนั้นก็หายใจออกแรงๆทักสองสามครั้งเราจะรู้ได้ว่าลมกระทบที่ไหนเมื่อลมกระทบที่ปลายจมูกเราก็เอาติจับอยู่ตรงนั้นที่มันลมกระทบนะ่ะมันเย็นแหมมันออกมันก็เย็นมันเข้ามันก็เย็นติด ท, ที่จมูกเราก็หายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทธโทพุทธโทพุทธ นั่งนานไหมหลงพ่อนานเท่าที่จะนานได้ออดเรานั่งอดอดให้นั่งนานๆทดลองให้นั่งนานถ้านั่งนานเราเราจะเห็นเจ้าจะเห็นคุณค่าในการนั่งเราจะไปนั่งประเดียวประดาไม่ได้นะพอนั่งเข้าไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็คิดอยากจะโทรศัพท์มันหาทางออกกิเลสในใจของเรามันหาทางออกจมบ่อยๆนะ อันนี้เราจะไปตามกิเลสเราต้องฝืนเข้าไปเจ้าจะนั่งชั่วโมงหนึ่งนะวันนี้แง่ดูนาะฬิกาแล้วก็ น, นั่งเราจะนั่งชั่วโมงหนึ่งจากนั้นก็ น, นั่งวันละกรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมันแถมบังคับนะจะให้อยากอยากจะนั่งทีเดียวมันไม่ได้หรอกเราฝึกหัดใหม่ๆเพราะยังมั น, ม, นมันยังไม่ยังไม่เห็นคุณค่าเหมือนกับเด็กหลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนกับเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนที่ไปเรียนหนังสือ ประเด็กนักเรียนเรียนหนังสือไม่มีใครนักเรียนคนไหนหรอกที่ไปไปไ ป, ไปเรียนไปหนูลกูกหลานไปเรียนหนังสือมันก็งองแงแ่หละไม่อยากจะไปเรียนบางทีก็ไปแต่วันแรกพอวันที่สองที่สามก็งองแงแลวถึงไม่อยากจะไปเพราะเห็นไรเพราะมันไม่เห็นคุณค่าในการศึกษาแต่นี้พอเราบังคับให้เขาไปเรียนพอเรียนติดโรงเรียนเห็นคุณค่าในการศึกษาแล้ว มันขยันเองนี่แหละข้ามจะไปอย่าไปถ้าพ่อแม่มีโทระนะลูกนะวันนี้หยดุดสะกปอนี่เป็นไรละพ่อแม่จะไปลากูให้แหมอย่าพิ่งไปพ่อแม่จะพาไปนู้นไปนี่มีกิจโทระมันะีเออเด็กขั้งหลายหน้หนาบูดหน้าง อ, งองเขาเลยเนะพระเหตุอะไรเพราะเด็กเขาเห็นการศึกษาเป็นสําคัญนล้วติดในการศึกษาแล้วเห็นคุณค่าในการศึกษากลัวจะเรียนหนังสือไม่ทันเขาอีกต่างหากแหงวิชาความรู้ตัวเองอาจจะอ่อนอีกต่างหาก รักษาคะแนนไม่ได้ดีอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเด็กเขาเห็นคุณค่าแล้วเขาขยันเองนี่ก็เหมือนกันน่ะเวลาเรานั่งภาวนาทีแรกเ่ะต้องบังคับบังคับตัวเองให้นั่งภาวนาให้นั่งนานๆพอเห็นคุณค่าได้เถ้าเราไม่ได้นั่งภาวนาเหมือนกับมันขาดนะทีนีเ้เหมือนกับมันขาดอันหนึ่งเราต้องนั่ง ต่งลุกมานั่งภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธ ท, ทำใจให้สบายให้เจ้าให้ให้ใจของเราพักผ่อนนะครับเข้าสู่ความสงบใจพักผ่อนนะพุทโธพุทโธจากนั้นเมื่อเราทำหลายครั้งต่อหลายหนจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อเข้าสู่ความสงบอันดับแรกมันมีหลายมันมีหลายแนวนะคือจิตสงบนี่ยบางคนก็พอนั่งภาวนาพุทโธพุทโธ บางคนก็เห็นสิ่งที่ปแปลกๆบางทีก็เห็นผีบางเห็นอะไรบ้างลักษณะอย่างนั้นแต่เราจะไปสนใจนะที่พูดให้ฟังอย่าไปสนใจอันนั้นมันเป็นนิมิตมันเป็นเครื่องหมายมันมาหลอกเราเฉยๆเราอย่าไปให้ความสําคัญเราอย่าไปดูมันอีกต่างหากพอมันแสลบไปอย่างนั้นน่ะเราเรีบให้กลับมาหากรรมฐานเดิมกรรมฐานพุโทโธของเราที่ตั้งไว้แต่ทีแรกนั่นน่ะ พอมันเห็นนิมิตอย่างนั้นที่ไม่พึงปรารถนาที่มันน่ากลัวเรากลับมาหาพุทโธพุทโธอย่างเก่าให้ตั้งจิตให้เข้มแข็งขึ้นอีกอย่าไปดูมันให้กลับมาหาพุทโธอันนั้นเราบอกว่านิมิตมันหลอกเราเฉยเฉยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านไม่ให้ดูท่านไม่ให้ดูนิมิตนะท่านให้ดูใจให้ดูใจไม่ท่านไม่ให้ดูนิมิตอันนั้นมันนิมิตคือความหมาย ถ้าว่าพวกเราดื้อตาขึ้นไปแล้วก็เห็นภูผาป่าไม้ฉัดสาลายสิแล้วก็เห็นแล้วจะไปแปลกอะไรในเห็นที่ในสมาธิมันไม่ใช่ของแปลกนี่แหละให้เรากลับมาหาสมาธิมาเข้ามาหากลกรรมาฐานเดิมที่เราบริกรรมไว้แต่ทีแรกนิมิตเหล่านั้นมันจะหายเหมือนปิดทิ้งเลยละ่ะนะระบริกรรมพุทโธพุทโธตั้งใจใหม่อีก เ, อเว้นเทียนแต่นี่พอตั้งใจเข้าไปเท่นี่มันจะเข้าสู่ความสงบ ถ้ามันสงบมันเป็นยังไงพอจิตมันจะรวมเออมันจะเย็นมันจะมีความรู้สึกเย็นหรือว่ามันความรู้สึกตัวนี้แหะมันจะเย็นวาดเขา้าสู่จิตใจคือจิตใจไม่ปรุงไปทางอื่นจิตใจไม่คิดไปทางอื่นจิตใจอยู่กับตัวเอจิตใจเหมือนมีแสงสว่างหรือว่ามีเหมือนอะไรเข้ามาในใจของเรามันมีความสุขในะอะนนี้ วิจิตเท่ากูสู่ความสงบสุดิีมันมีความสุขนะมันไม่ร้อนนะเอมันเย็นสบายมันมีความสุขวาาเพียงวาบเดียวเท่านั้นแหละจิตใจรวมสงบเพียงขณะหนึ่งท่านเองจำไม่ลืมนะอันนี้แหละจำไม่ลืมพวกเราโอ้จิตที่พระพุทธเจา้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนนะให้พวกเราทำสมาธิเออมันมีความสุขโออยากจะให้มันเป็นอีกนะ เราจะให้มันเป็นอีกแต่มันจะไม่เป็นนะถ้าเราอยากจะให้เป็นมันจะไม่เป็นเราไม่ต้องไม่ต้องอยากจะเป็นอีกอ้าไม่เป็นไรมันเป็นแล้วก็ผ่านไปเราจะไปสนใจมันจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเราจะนั่งภาวนาจะกําหนดอย่างเก่านี่แหละพุทโธพุทโธพุทโธเราหาใหม่อย่าอยากอยากอยากให้มันเป็นถ้าอยากให้มันเป็นมันจะไม่เป็นแต่เมื่อไม่อยากแจิตใจของเราวางเฉย จิตใจของเรามีสมาธิจิตใจของเราสร้างเกตให้เพียงพอจิตใจมันจะรวมสงบลงอกว่านั้นไปอีกถึงพอสงบคราวนี้นะ่จิตใจมันจะไม่ปุง่งไม่ฟุง้งไม่ซ่านจิตใจมันจะเย็นสบายอกับอารมณ์อารมณ์กับสมาธิมันควบคุมกันอยู่มันจิตใจของเราคิดเรื่องอะไรสติของเราทันตลอด ต่ก่อนมันไม่ทันนะพอนั่งภาวนาบางทีมันไปไหนก็ไม่รู้เออมันไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้พอใจแล้วโอ้ใจของเรามันไปไหนวะที่ไหนได้มันไปจนพอแลนเกือบจะออกจากสมาธิจึงจะหยุดแหละแล้จึงรู้ว่าเราเร า, เรานั่งคิดนั่งตรุงนั่นแหละมันใจของเรามันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เมื่อเรามีสติบริกรรมเ อ, อ่เราตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นเออเมื่อจิต ควบคุมสติให้อยู่สติกับจิตควบคุมกันอยู่ถึงแมเราคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดียวนี้เรารู้ได้ด้วยตนเองแต่จิตใจยังไม่รวมสมบพนะแม่เพียงว่าสติกับจิตควบคุมกันแม่ไม่ปุง้งไม่ฟุง้งไม่ใสสติจิตของเราคิดเรื่องอะไรเรารู้เราทันแต่เสียงเข้ามาทางหูได้ยินเสียงคนเสียงสัตว์เสียงอะไรก็ตามเราก็รู้ว่าเสียงแต่มันไม่ส่งไปตามเสียง เออมันไม่ได้ส่งไปตามหูมันอยู่ที่ตัวของเราอีกดูอยู่อยู่ที่ตัวของเรา น, นี่นะควบคุมติจุดนี้ได้อันนี้เราอุปจาระทนอาจารยอุปจาระสมาธิคือจิตไม่หิวจิตไม่โหยจิตไม่ปุ๋งไม่ฟุ้ฟงไม่สางจิตอยู่กับตัวแล้วว่าจิตอยู่เอ่อว่าท่านว่าจิตสงบอันนี้คือบอกอุปจาระสมาธิจิตเป็นสมาธิในระดับห่งแต่เราพยายาม ดูจิตในจุดนี้ควบคุมอยู่จุดนี้อย่าไม่ให้มันออกไปที่ไหนจากนั้นมันจะตกสงบลงไปอีกลึกลงไปอีกใช่ไอมลึกถึงใครับว่ารวมสงบลงเป็นหนึ่งจริงๆถึงใ น, นจิตที่เป็นอปปนาสมาธิจิตจุดนี้แหละสมาธิจุดนี้แหละเป็นสมาธิที่ลึกซึ้งสมาธิที่แนบนิ่งเป็นสมาธิที่ลึกที่สุดของสมาธิทั้งหลายคือจิตที่เป็น อัปปนาสมาธิจิตสงบลงเป็นหนึ่งแต่จิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งมันมีหลายลักษณะเหมือนกับตกเขียวตกบอกก็มีจิตนันว้าบลงไปก็มีแต่บางคนรมว่ามันกระกวรก็จะรุ่งขึ้นมาอันนั้นแปลว่ามันไม่ลงเลยแต่มันก็เย็นแต่ตามตามที่จริงทามันว้าบลงเราก็ดูว่ามันลงไปไหนเมื่อจิตมันรวมสงบปุบ๊บถึงฐานของสมาธิจากนั้นเราบทนิ่ง เราก็รู้ได้ทุกทีสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอะไรสติเป็นอันั้นอันนี้คือสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิเ อ, อเรารู้ได้ดูตัวเองว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันเห็นได้ชัดเลยตัวนองเพราะนั้น ต, ตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญจะเห็นได้ชัดในขณะที่จิตที่เป็นสมาธิในจุดนี้เพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านว่าตายแล้วไม่ไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะร่างกายนี่ ตายแน่นอนเผาไฟแน่นอนเอาไปเก็บไฟห่ส์ช่วยแน่นอนแต่นามธรรมคือจิตใจตัวที่รู้รู้เนี่ยไม่มีป่ายชาตัุนี่ออกจาก่ร่างนี่นะพร้อมที่จะไปปฏิสนที่ไปหาเกิดที่อื่นได้ถ้ามีบุญกุศลก็พร้อมที่จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมได้พร้อมที่จะไปเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกทาคานาขาเป็นพระอระหันต์เป็นพุท ธ, ธะก็คือใจดวงนี้ แต่ส่วนร่างกายนั้นจะต้องแตกต้องสลายสู่ดินน้ำลมไฟไม่เป็นอย่างอื่นนี่ถ้าเมื่อเราจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นอัปปนาสมาธิเราจะรู้ได้ด้วยตวนเองชัดเจนแต่เราไม่รู้ว่าเรานั่งที่ไหนนะจิตที่เป็นประเภทอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่นัสถานที่ใดเพราะสัมผัสทางร่างกายมันมันไม่เห็นไม่รู้ว่าเราอยู่นสถานที่ใด เสียงอะไรเราจะไม่ได้ยินทั้งนั้นในขณะที่จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิแต่ว่าจิตที่รวมจะรวมเป็นอปปนาสมาธินั้นไม่ใช่วันจะเป็นรวมในที่สาธารณะหรือว่าเป็นรวมในที่พกพานบุ่นวายจิตจะไม่รวมนะะจิตประเภทนี้เป็นสัมปยุทธ์ด้วยปัญญาทีเดียวมันจะหาหมุมที่ปลอดภัยที่สุดอยู่เป็นเอกเทศที่สุดอยู่ตามลาพังที่สุด ปอดภัยที่สุดมันจึงจะสงบได้แค่ถ้ามันเป็นจิตที่ปล่อยวางปล่อยวางร่างกายแต่เมื่พอมันลงถึงฐานบางคนก็อยู่ได้นานบางคนก็ไม่ได้นานจากนั้นจิตใจก็ถอนถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาก็มาเป็นอุปจารสมาธิพอมันถอนขึ้นมาเท่านั้นแ่ะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเออบึกจิตเนี่ยจิตของเราเป็นสมาธิหรือเปล่า จิตของเรารวมหรือเปล่าไม่ต้องถามใครในจุดนี้จะรู้ได้ด้วยตนเองเยถ้าถามคนอื่นก็ถามแบบลองเชิงไปอย่างนั้นเอ๊ะถ้าเป็นอย่างลักษณะนี้จิตของของผมรวมใช่ไหมให้ถ้า่าตัวเองเชื่อตัวเองร้อยทางร้อยเลยวะใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิแต่ว่าทดลองถามดูลองรลองลองถามคนอื่นดูครูบาอาจารย์ดู เนีน่ยแะท่านก็จะบอกเออใช่ถ้าท่านเคยรว ม, มแล้วท่านก็เออใช่มาถามทําไมเนีน่ยเขารู้แหละท่านก็บอกอย่างนั้นเพราะท่านกับเราที่เคยผ่านมาแล้วรู้ด้วยกันอันนี้คือสมาธิแต่เมื่อถอนออกขึ้นมาแล้วแต่บางคนก็ว่าเ อ, อ้ยการทําจิตใจให้สงบนั้นทําให้เนิ่นช้า อ, อทําให้ติดสมาธิ แต่ตามมาจริงเรารู้แก่ใจว่าการทำสมาธินะ่ะติดหรือไม่ติดเราก็รู้แก่ใจอย่างเพราะนั้นเราควรจะริมรถของสมาธิไว้ดีที่สุด เ, เมื่อคนมีสมาธิดีแล้วจะเดินปัญญาก็จะเดินได้แต่ถ้าว่าผู้ใดไม่เคยริมรถของสมาธิไม่เคยภาวนาจิตใจไม่เคยสงบฉเฉลย พวกเราจะสงสัยว่าเอ๊ะทำคาสอนของพระพุทธเจานะ้ามีคุณค่าหรือเปล่าทําว่าจิตใจสงบทำให้เราจึงไม่สงบสักทีใจใจของเราไม่เย็นเลยมีตร้อนอยู่ตลอดนะอันนี้แปลว่าเราไม่ได้ริ้มรถแห่งสมาธิแต่เราได้ริ้มรถสมาธิและจิตใจมันดูดดืนะ่มมั่นคงนะเชื่อมั่นในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากว่าบรมครูหรือพระพุทธเจ้าของเราหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา สอนเรื่องสมาธิโอ้มีความสุขจริงๆดั ง, งที่ท่านได้ตรัสเป็นพระบารีวัณติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีโอ้ข้าพเจ้าได้สัมผัสเพียงหนอยนิดเท่านเองข้าพเจ้ายังมีความสุขจริงๆในการทําสมาธินี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยามทุกคนที่สงสัยว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ให้พวกเรานั่งสมาธิ เพียงจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งเท่านี้แหละพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเชื่อมั่นในตนเองอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะว่าเรารู้ได้ด้วยตนเองกายนี่แตกแตก่แตใจไม่เป็นไม่แตก อ, อย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบว่าเหมือนกับรถร่างกายเหมือนกับรถจิตใจของคนเหมือนกับคนขับรถแต่อยู่ด้วยกันคนขับรถกับรถรถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคน ร่างกายของเราจะไปได้ก็ต้องอาศัยนมามธรรมคือตัวผู้รู้รู้ยังไะเข้ามาสั่งการแต่ถ้าว่ารถคันนี้มันเสียสมองแต่มันแตกหัวใจมันหยุดเต้น เ, เหมือนกับรถมันเสียอย่างนั้นลูกสูบมันติดฝีมือโซเฟอร์จะดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นไปขับขยับขยื่นไม่ออกเหมือนกันเพราะอะไรพอะรถมันตายนี่ก็เหมือนกันถ้าร่างกายของเราหมดหมดสภาพนะอ่อ จิตใจดวงนี้ก็ต้องออกจากร่างไปปฏิสนที่ไปหาที่อื่นอีกไปเกิดที่อื่นอีกนะเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านจะให้ความสำคัญเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแอนโซฟเฟอร์เป็นใหญ่ในรถถ้าไม่มีโซฟเฟอร์รถคันนั้นก็ไปไม่ได้ถ้าไม่มีใจพวกเราก็หมดสภาพเพราะนั้นในร่างกายของเรามีสองแต่นั้น เพราะนั้นท่านกล่าสมควรอย่างยิ่งพวกเราจะต้องอบรมหรือแนะนวหรือว่าให้การศึกษาให้ใจของเราเนี่ยคือมโนเน่ยคือใจคือตัวผู้รู้เนี่ยคือหัวหน้าจะต้องได้รับการอบรมที่ดีเอาศีลธรรมเข้าสู่หัวหน้าแล้วก็ให้หัวหน้านั่งสมาธิให้หัวหน้าให้เข้าสู่ความสงบ ถ้าหัวหน้าปุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลาคิดปุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นผลดีสำหรับตัวของเราเผลอๆก็ทำให้เสียสูญไปได้ง่ายๆเพราะนั้นเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่จะเฉพาะพระนะเรื่องสมาธินะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านคณะัทาญายโยมควรจะฝึกเรื่องสมาธิฝึกทีทละน้อยละน้อย อย่างน้อยกับวันหนึ่งเรานั่งภาวนาสัก5านาทีได้ไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงนะ่ะเราหั่งห้าห้านาทีได้ไหมสิบนาทีได้ไหมสิบห้านาทีได้ไหมแต่ละวันไม่ควรจะให้ขาดถ้าเป็นไปได้เป็นการอบรมทางด้านจิตใจถ้าจิตใจของเราได้รับการอบรมดีแล้วมีแต่ความร่มเย็นผาสุกนะผลของการอบรมหรือว่าการภาวนานะเป็นหน้าที่ของ พวกเราท่านทั้งหลายพระในครั้งพุทธการพระในครั้งพระพุทธเจ้าอายุสมมาเนนเจ็ดปีก็ยังได้สาเร็จเป็นพระรหันโดยมากสัมมาเนนที่ท่านภาวนาท่านมาเผู้ใหญ่นะ่เจ็ดั่วท่านเองแต่บุญบารมีของท่านสั่งสมมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้แหละที่มาสู่วัดวาศาสนา ไท้ทำบุญได้ทำทานได้รักษาศีลและก็ได้ภาวนานี่ยทบุญกุศลอ น, นิสงศสิณอ น, นิสงทานาอ น, นิสง์ภาวนาเนี่ยนะจะเป็นเครื่องเกื้อกูหลหนุนพวกเราไปสู่ภายภาคหน้าเป็นฉะเบียงคลเข้าติดจิจติดใจของเราพระสงฆ์สาวกในครั้งพระพุทธเจ้าที่ท่านเคยบวชหรือว่าเคยเป็นฤาษีชีภัยมาก่อนให้บำเพ็ญเรื่องทานเรื่องศีลภาวนา บาลามีของท่านแก่กล้าแล้วเนี่แหละจากนั้นท่านก็ได้มาบวชเป็นเด็กๆถึงจะเป็นเด็กก็ใจก็จริงแต่ใจของท่านใหญ่นะใจของท่านเนี่ยแก่กล้าด้วยบารามีแต่ตัวของท่านก็เล็กก็จริงแต่รูปร่างเป็นเด็กแต่ว่าใจของท่านเป็นผู้ใหญ่แต่เมื่อได้ฟังธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระทำคำสอนของพระหรันสาวกที่เป็นพี่เลี้ยงท่าน ท่านก็ได้สเร็จพักสำเร็จผลในครา้งพุทธกาลอย่างที่สมมเนรจนจิจนจจจจนนนตจักระมันเนจริตจะมันเนริตจักรมันนจริตจะมันเนจิตจักมันเนริตจักระมันเนิตจนตกระมเระมันนกมีรกรมนะนมันก ร, ร ม, มกรรมก็คือพอมาเกิดแล้วในท้องของแม่จกะนั้นแม่ตายพอแม่ตายเนจก็เอาพอิตจกของ ลูกอยู่ในท้องลูกแก่แล้วนะแต่เนี่ยพร้อมที่จะคลอดแล้วแต่ลูกตายตายในท้องจากนั้นเขากอพอตายแล้วเพราคนสมัยนะั้นเขาก็ดามไปเผาเนาะพอไปเผาเสร็จแล้วก่อนที่จะเผาเขาเอามันท้องมายัางตรงเลยเขาเอาไม้แทงเข้าไปในท้องของผีตายดนะัยงนั้นแต่คนที่ตายไปนะพอแทงเข้าไปอแล้วเกิดกลับ พอแทงให้ก็่าแทงให้มันให้ทะลุทะลวงให้มันไฟหนไหม้พูดง่ายๆเอ่ทีนี้ก็พอแทงเสร็จแล้วเขาเดินทางกลับพรุ่งนี้เช้าไปดูอีกพอไปดูเห็นเด็ก เ, เห็นเด็กกระเด็นออกมาจากกองไฟแหน่ เ, เด้งออกมาไฟจากนั้นเขาโอ้ทำไมเด็กออกมาไม่ตายนเนี่ยว่าเอ่แต่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าผู้ใดก็ตามจะได้สําเร็จเป็นพระหันในชาตินั้นถึงจะฆ่าก็ไม่ตายอธิบายอย่างนั้นนะอันนี้สังกิต จ, จะสัมเนยก็อักษณะอย่างนั้นอยู่ในท้องแม่เขาเอาไปเผาไฟแต่จะนี่จากนั้นพอไฟกระเด็นออกมาออกมาข้างนอกพ่ อ, อก็มาเขาพ่อแม่พี่น้องเขาก็เลยเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงกับเป็นตัวโตวขึ้นมาเลยภาษาลิบุตร ท่านก็ไปฉันที่บ้านนี้เป็นประจำแต่โดยมากพระษาริบูดเนี่ยเป็นรู้อนาคตตังสยามโดยมากสัมมาเนนภาษาลิบุตรในท่านจะกับสัมมาเนนที่เป็นพระหรหันมากมากๆเป็นทุกสิษย์ภาษาริบตรเกือบทางนั้นท่านจะรู้ว่าท่านจะไปสั่งสอนแนะนํำเขาสั่งสอนเขาอย่างไรอันนี้ท่านก็ไปฉันที่บ้านของอญาติพี่น้องของจิกสังสังกิจจะสัมมาเนนแต่ี้ พอเนี่ยอายุเจปีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็รักนะปู่เขาก็รักแต่ต่อมาเนี่ยท่านก็พูดให้ฟังโ อ, อ้นี่ไอ้หนูพ่อแม่ของแกนะตายแต่อายุแต่เมื่อเธออยู่ในท้องแม่นะที่ตาเสียเนี่ยก็เพราะว่าโดนจับเปลเรเขาเอาไม้แทงเข้าไปกระถึกสายตาตาก็เลยแตกบอดไปข้างหนึ่ง สมณีนก็เกิดความสลดสังเวชใจโอ้ตายแม่ก็ตายไปเราจะไปอยู่ทําไมเราเป็นนักพจนนักปวดจะไม่ดีเลยอจากนั้นก็ผมอยากจะบวชครับหบอกให้คุณปู่บอกให้คุณตาตาโอ้ยินดีจากนั้นก็เลยนิ ม, มนตาา์ภาษารีบบตรมาทำมอบให้ภาษาเรียบบทเป็นอาจารย์ภาษารีบุตรก็รับพอรับแล้วก็บวช บวชไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระาราหันในสมมาเรนสังกิจจะสมมาเรน เ, เ, เป็นพระหรหันเพราะท่านภาวนาแพ็บเดียพรพระบารมีของท่านท่านเก่าแก่อย่างที่ว่านพอได้สําเร็จเป็นพระหรหันแล้วทีนี้ในวันหนึ่งมีพระภิกษุสงฆ์สามสิบรูปนี่เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าและจะไปภาวนาในชนนบดจะไปภาวนาในชนนบทคือบ้าน ป่ารงพงไพ่ไปหาภาวนาในป่ารงพงไพ่ทีนี้พระพรทธค์บอกว่าพวกเธอทั้งหลายจะไปภาวนาในชนบทนั้นให้ไปกราบพี่ชายของพวกเธอก่อนนะคือไปกราบพระสารีบุตรไปกราบปลาท่านก่อนแล้วพวกเธอค่อยไปพระสง์เหล่านั้นก็รับปะครับผมจากนั้นพระสง์เหล่านั้นก็ไปกราบพระสารีบุตรพอไปกราบพระสารีบุตร ภาษาเรียบว่าเออพวกท่านทั้งหลายที่พระพทุทธองค์ให้พวกท่านทั้งหลายมาหาเราเนี่ยก็อนเลยดีล่ะเราจะฝากสัมมเณ น, นไปให้พวกท่านทั้งหลายได้ไดใช้สัมมเณ น, นเพราะว่ามีแต่พวกท่านทั้งหลายไปก็จะลําบากบางทีประเคนสิ่งของแต่นี้พระสามสิบปู่บางค น, นว่าโอ๊ยไม่เอาแล้วครับท่านสัตติบุตร เอาเนนไปมันเป็นภาระครับพระส า, ารีบุตร อ, อัลาธนาเราให้ไปเนี่ยให้พวกท่านให้รับสมมนเนรไปเถอะน ะ, ะเราให้ให้ไปพวกนั้นเขาฝืนไม่ได้พอฝืนไม่ได้ท่านก็รับสัมมนเนรัดพอรับสัมมนเนรไปไปอยู่เดินไปในป่าเข้าไปป่าลึกไปในป้านในชนบท พอไปอยู่ที่นี่ก็มีคนมีคนมาอาศัยกันคนเดินทางมาเดินทางมามาเห็นวัดก็เลยมาอยู่โอ้อยู่วัดในพอดีเหมือนกันนะกินอาหารที่พระท่านไปปิณฑบาตแต่เราก็อยู่ด้วยกับท่านทีนี้ก็พออยู่อยู่กับอยู่กับพระพออยู่ไปอยู่มาที่นี่ คงจะคิดถึงบ้านอย่างไรเขาไม่รู้ขโมยหนีออกขโมยหนีออกจากพระสามสิบรูปพ่อขโมยไปแท้ดีเดินไปพวกโจรเขาอยู่ในป่าเขาเห็นคนเดินมาเขาก็ต้องการขนพอดีพอดีในช่วงนั้นต้องการอยากจะทำพรีกรรมคล้ายๆกับว่าตัดคอเอาเลือดแล้วก็เอาไปถวาย ไปมอบให้ เ, เทวดาอารักษ์ที่เขาเช่นสวงนะ่ะ เ, เพื่อจะให้พวกเขามีโจมีเศรษฐีเข้ามาแลืวว่าให้เขาได้ป้นได้ทำมาค้าขายขึ้นลักษณะอ่งนั้นแหนะแต่ทีนี้เขาก็เห็นอันี้มาพอดีคนที่ไปกินกินเศษกินเดียนของวัดนะเดินมาเขากระจับ พอก็จับเอ้ยพอดีแล้วเราจะต้องเอาไปนี่พลีกรรมตัดคอแล้วก็เอาไปถวายผุมมะลุขะเทวดารักษาป่าพอดีแต่นี้ไอคนที่เดินทางนะก็บอกว่าโอ้ยอย่าฆ่าผมเถอะผมเลยเป็นคนกินเดนเป็นคนเป็นคนจันทาน แน่นู่นพระสงฆ์อยู่ในป่านั่นนะเอมีทารุกเศรษฐีมีทารุกกษัตริย์เป็นลูกพราหมณ์ทั้งนั้นเอถ้าว่าได้ลูกพราหมณ์ลูกกษัตริเหล่านั้น่ะจะดีกว่าผมนะผมไม่คนจันทานเทวดาอารักษ์ทั้งหลายหรือวาสารพระภูมิทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ต้องการหรอกคนจันทานถึงจะบูชาก็ไม่เป็นมงคลถ้าเอาลูกเศรษฐีมาหรืยว่าลูกพราหมณ์มา จะเป็นมงคลกว่าพวกโจรห้าร้อยที่ดับใช่ถ้าได้ก็ดีเนี่ยวาอยู่ที่ไหนนั่นแหละอยู่ที่พระอยู่ในป่านั่นนี่ยเอาใครจะเป็นคนพาไปผมจะคนพาไปเองเอาจากนั้นก็ไอเนี่ยอายกินเดนเนี่ยกับพาไปพาโจรไปพอไปเสร็จเลครับอไปเคาะระคังพอระคังเสร็จพระเถระก็มาเนี่ยพเข้ามากับพระสงฆ์ก็มา พอมาเสร็จโจรก็บอกว่าผมข อ, อจับขอพระไปสักองค์หนึ่งใครก็ได้ไปเพื่อบูชาสารพระภูมของผมพระเทลาก็ประชุมกันอะไรต้นเลยบอกเออพวกท่านทั้งหลายผมที่เป็นหัวหน้าหมู่พวกเพื่อนผมต้องเสียสละเพราะมันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วผมจะต้องยอมผมจะต้องยอมตาย ผมเสียสละเพื่อหมู่เพื่อนเพราะผมเป็นหัวหน้าเอาผมจะไปกระโจนนะนะผู้พกเพื่อนนะองค์ที่สองไม่ได้ท่านอาจารย์จะไปได้ยังไงในเมื่อมีเมื่อท่านอาจารย์เป็นหัวหน้าผมเป็นผู้รองผมจะต้องไปไปแทนท่านอาจารย์จะให้ท่านอาจารย์ไปได้ยังไงพ่ออาจารย์เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมจะเป็นคนแทนเององค์ที่สามไม่อีกไม่ได้ผมเองเป็นหน้าที่ของผมผมจะเป็นผู้เสียสละ ตายแทนหมพวกเพื่อนได้นลในสุดไล่เลียงไปไล่เลียงไปจนถึงส0สองค์ท่านสามมาเนนน้อยอยู่องค์สุดท้ายเนะี่ยบอกว่าท่านทั้งหลายผมที่น่ะเป็นผู้ไปแทงพระสงฆ์ไม่ได้ภาษาลิบุตรพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรให้เจ้ามาดูดูแลรับใช้พวกเราประเคนสิ่งของให้เราแล้วเราจะให้เจ้าไปคนเดียว เรากลับไปวัดป่าเชตะวันนะท่านพระธรรมเสนาบดีหรือพระสงฆ์ทั้งหลายปั่นามพวกเราจะทํำยังไงไม่ได้จำเร็จห้ามเด็ดขาดจำเริญไม่ให้ไปเอ<ม>พวกท่าน<ม>อพวกเราเองจะไปแต่นี้ก็ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาโจนผู้ร้ายเขาก็เอาเอ า, เอาอยัางไงตาเล่งเล่งเขาหน่อยนะลักษณะอย่างนั้นเนะ่ะมันเป็นโจนเนี่ยอย ตะนนี้พระสัมมนเนกรก็เลยบอกว่าท่านทั้งหลายรู้ไหมที่พวกท่านทั้งหลายเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีอนาคตกัลปายานนะออท่านให้ไปกราบภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรพระธรรมสีนาบดีพวกท่านก็รู้แล้วว่าท่านเป็นผู้มีญาณทัศนะเป็นผู้มีฌานเป็นผู้มีญาณท่านมอบให้ข้าพเจ้ามาเนี่ยเพราะท่านเห็นล่วงหน้าไว้แล้วข้าพเจ้าจะแก้ปัญหาจในสถานการณ์นี้ได้ เพท่านทัานจึงให้ข้าไปเจ้าให้สมมนเนรให้ข้าไปเจ้ามาพวกท่านสบายใจได้ข้าไปเจ้าจะไปเองพระสงฆ์จ้นั้นก็จำนนเออใช่คงจะมีส่วนแต่ก็พระสงฆ์เราเนะี่ยยังเป็นปุตุชนอยู่นะเ อ, อพอเห็นสมมาเนรโจรเขาจับไปคุมขังเขาจับไปพวกนี้ก็ร้องหน่งร้องให้กันแต่เด่นพระสงฆ์ไม่มีอันเจจูจะกินเลยไม่รู้จะทํำยังไงเพราะสงสารสัมมนเนรเขาจะต้องตัดคอนะ จากนั้นสามเณรก็ไปตามโจดพอไปเสร็จแล้วเขาก็กอ่อไฟขึ้นมาพอก่อไฟขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะทําพีกรรมแล้วกั่นตัดคอสามเณรเอาน้ําไปบูชาเจ้าเจ้าแม่กากี๋ยบูชาเช่นสวงสารประภูมิของเขา เ, เ, เสร็จแล้วก็หัวหน้าโจงก็ชักดาบออกมาสามเณรนั่งเฉยดูดาบนะอแต่เขาบอกว่า แต่ถอดพอเห็นขึ้นมาทุกคนใจหนีดีใจฟอหมดแต่นี่สัมมเนีนั่งเฉยพอถอดดาบเตัดคอเลยมือนกนะตัดคอสามมาณอทั้งทีมันจะชดขาดเลยสายเพ่งกระเด็นเลยเหมือนกันเยฟันอีกที่สองพอี่สุดดาบงอเลยดาบ เป็นเป็นทัวฝักยาวไปเลยพันเลยแนั้นเลเ อ, อพระสมณเณรเป็นพระรหันต์เนียท่านมีมีฤทธิ์นะออท่านแสดงฤทธิ์ให้เห็นเลยบ อ, อกจากนั้นก็โอ้ฟันถึงสามครั้งไม่ไม่ได้นั่นเลยหัวหน้าโจนโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาสมณเณรพระกูลท่านยอมกล่าบไปเลยพอยอมกลา บ, ลมลาบสมณเณรก็บอกว่านี่นะพวกท่านทั้งหลาย การที่เป็นโจรมันมันไม่เป็นผลดีนะแหมมันเบียนเบียดเบียนคนอื่นเขานะทําไมพวกเธอเป็นมนุษย์แท้ๆอวัยวะทุกส่วนแขนแข้งขาตีนมือก็ครบหมดทุกอย่างทําไมถึงคิดเป็นโจดทําไมไป่คิดเป็นคนดีแหมจากนั้นเข้ามากับสามเณรก็เป็นห่วงพระสงฆ์ที่อยู่สามสิบรูปคงจะไม่ไดภาวนา คงจะร้องหม่มร้องให้เพราะเห็นน้ำตาร้องให้ตอนที่สั ม, มเาณีออกมาแต่นี้สั ม, มเาณีเขไปกราบแล้วพาโยนห้าร้อยเนี่ยที่เป็นสั ม, มเณีด้วยกันน่ยไปกราบพระพุทธเจ้าไปกราบพระสงฆ์เหล่านั้นพอเข้าไปพระสงฆ์เหล่านั้นเห็นโอ้เนียสัมมาณี เ, เป็นยังไงสัมมาณีอบอกว่าเนี่ยผมมากราบปลาท่านนะท่านอาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์าารยภาวนาไปเถอะนะที่ท่านอาจารย์ภาวนานะถูกต้องแล้วละ่ะ ผมไม่มีอะไรแล้วนี่เห็นไม้โจรห้าร้อยนี่ผมให้เขาบวชเป็นสัมมเอสนหมดแล้วต่อนนี้ไปผมจะได้กราบเข้าไปกราบพระธรรมเสนาบดีภาษาลิบุตรอาจารย์ของผมแล้วนะผมจะไปแล้วพอให้พวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยความผาสุนกนะครับผมทนานอาจารย์สัมมเณสน้นก็พาโจรห้าร้อยนี่ตามหลังไปจนถึงวัดป่าเชตตะวันพระสงฆ์ทั้งหลายก็แปลกใจ นี่แหละอันนี้ก็คือพระสงฆ์ท่านก็พาไปกราบพระสารีบุตรการนั่นพงพระสงฆ์นั่งพระเรานั่นก็ไปกราบพระพุทธเจา้าพาไปกราบพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้มมาโอ้โหสมณเนรเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีท่านก็เลยให้สมณเนรจิตจะสมณเนรบวชเป็นพระภิกษุแต่อายุเจดขวบท่านบอกว่าถึงร่างกายจะเป็นเด็ก แต่จิตใจของท่านเป็นพระหรหันแล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วนี่แหละคือพะระเถระถึงจะเป็นสัมมาเรนท์ท่านก็บว่าเป็นพระเถระนะะเพราะเหตุอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระหรหันนี่แหละนี่แหละอันนี้สรุปแล้วก็คือนิทานหรือว่ามาในพระไตรปิฎกในเรื่องนี้เอมาพูดถึงคนที่มาอยู่วัดเเอเออ พอมีเรื่องขึ้นมาที่เขาที่โจรจะฆ่าตัวเองก็เบี่ยงเบนไปให้ฆ่าคนอื่นอันนี้เพราะความกลัวตายเพราะผู้ตุชนเอาตัวรอดแต่ถ้าว่าสมมาเนนไม่เข้ามารับในเรื่องนี้ก็คงจะภิกษุไม่โดนองค์ใดก็ตรงองค์หนึ่งแหะจะต้องถูกฆ่าแต่นี้ท่านสัมมเนนสังกิจจะสมมาเนนท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดช พระหานมีอยู่สี่จำพวกนะพระรหานมีอยู่สี่จำพวกเป็นพระรหานเหมือนกันแต่มีอยู่สี่อย่างมีอยู่สี่เกรดนะเกรดหนก็นคือเอกสุ ข, ขวิปัสสโกแปลว่าได้สําเร็จเป็นพระหรหันแต่ไม่มีฤทธิ์มีเดช ร, รู้ว่าตัวเองได้สําเร็จเป็นพระหรันแต่ไม่มีอิทธิฤทธิ์แปลว่าสุ ข, ขวิปัสสโกเตวิชโช สละพินโยปฏิสามพิทัก์ปัตโตเนื่อพระหันไม่อยู่สี่จำพวกแต่สามจำพวกหลังเนี่เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชแสดงฤทธิ์ได้แต่พระหันชุกขะพิปัจโกเนี่เป็นผู้หมดจดจากกิเลสเป็นพระหันเท่านั้นนี่แหละอันนี้แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์หรือว่าบาปบุญคุณโทษ นรกสวรรค์มีจริงอ ย, อย่างสัมมาเนธิท่า น, นบำเพ็ญบารมีมาไม่ลูว่มันต้องเป็นอสงไขยใ่บำเพ็ญคุณงามความดีมามาชาตินี้ท่านก็ได้เป็นได้สาเร็จเป็นพระอหารแต่เป็นสัมมาเนธบันนั้นก็ท่านก็ได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อจำไม่ได้ว่าท่านได้รับเอธะคะอะไรในสัมมนเนธินี่แหละ อันนี้ก็คือสมมเรณ์อายุเจ็ดขวบในครั้งพุทธกาลไม่ได้เลือกว่าผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ได้เลือกว่าภิกษุสัมมเรณ์อุบาสกอุบาสิกาอุบาสิกาได้เป็นพระราหารผู้โยมผู้หญิงเป็นพระราหารมากต่อมากเหมือนกันในครั้งพุทธกาลบวชพิษเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้บําเพ็ญแล้วก็ได้ําเร็จเป็นพระราหารก่อมาเป็นโยมพระเจ้าจุโทธทนะ พระบิดาของพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้บวชนะเป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็มีหลายๆคนที่ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ที่ยังเป็นโยมอยู่เพราะฉะนั้นการบอมเพนเรื่งจิตภาวนานไม่ได้เลือกพระไม่ได้เลือกโยมโยมก็พร้อมที่จะภาวนาได้พร้อมที่จะสําเร็จมักสําเร็จผลได้ถ้าทําจริงจังเพราะฉะนั้นพวกเราต้องการความสุขความเจริญต้องกจากความสุขความเย็นใจ ความสุขอย่างทางด้านจิตใจแล้วเรื่องทานเป็นธรรมเป็นพื้นฐานเรื่องศีลก็อยู่ในกราบเรื่องสมาธิเออเรื่องสมาธินี่เรื่องภาวนาเนี่ยเป็นนันที่หน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องนํามาประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อยอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาสู่วัดวาสถานาที่มา เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่อยากจะแนะนําที่เกิดเป็นเรื่องทานกับเรื่องสิงเท่านั้นนะอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายภาวนาด้วยเพราะว่าเรื่องภาวนาเนี่ยพวกเราทําภาวนาแล้วจิตใจพวกเราจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจจิตใจของเราจะไม่ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาสึมเศร้าอยู่นสถานที่ใดจิตใจของเราจะรู้เท่ารู้ทันรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะไม่ทุกข์ ผุดจงรูปง่ายเพราะรู้ตัวเองอยู่ตลอดมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดบาปูนคุณโทษนรกสวรรค์มีเออเรารู้กับแก่ใจของเราเราวางตัวถูกได้ทุกสถานการณ์นี่แหละถ้าคนภาวนาจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าคนไม่ภาวนานะแต่คนไม่ภาวนามีแต่เรื่องฐานเรื่องศีลแต่ถ้ามีอะไรมีอะไรปัญหามีอะไรปัญหาเกิดขึ้นขึ้นมากับตัวเอง เขาแนะนำอะไรเราจะเชื่อเขาทั้งหมดกลัวกลัวตายเออกลัว เ, เรากลัวหวาดหวัน่นแต่ตามไม่จริงถ้าคนภาวนาแล้วจะไม่หวาดหวั่นนะมั่นคงนะเชื่อมั่นในในตัวเองนะเออเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อในตนวเองถ้าเราทำดีแล้วเราจะไปตกชั่วได้ยังไงถ้าเราทำชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรมันเชื่อในตัวเองนะการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นการพูดละกัน